การไม่มีอะไรนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งก็คือพระนิพพานที่ปฏิบัติกันนี่ก็เพื่อพระนิพพานพระนิพพานก็คือนิพพานังปรมังสุญอย่างนิพพานังปรมังสุขังการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะการมีอะไรนี่มันเป็นความทุกข์นั่นเอง ทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าสัพเพสังขาราทุกขา์าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงนั่นเองมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไป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 กลับมีความทุกกันนี่คือสิ่งที่อพุทุชนธรรมดาจะไม่เข้าใจจะมองไม่เห็นพุทุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้จะมองว่าการมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผทธพะนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งทุกคนจึงขวนขวายกัน แสวงหากันสะสมกันสร้างกันสร้างราบยศสรรเสริญสร้างรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆมาไว้เป็นสมบัติของตนแล้วก็ต้องมาทุกข์กับราบยศสรรเสริญทุกข์กับลูกเสียงกลิ่นรสผลตภะทุกข์กับรูปเม ท, ภาทกกเนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทุกข์กับธรรมารมเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้นั่นเองมองไม่เห็นว่าเขาเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่นักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสตาคกทั้งหลายเท่านั้นที่จะเห็นความจริง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 นี่และคือเป้าหมายของการปฏิบัติคือการสละทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดอย่างที่ทรงตัดสอนไว้ว่าให้สละทรัพย์ให้สล ะ, ะอวัยวะให้สละชีวิตเพื<ม>่อรักษาความว่างความไม่มีนี่เองถ้ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ยังไม่ถือว่าว่างถ้ามี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 อ า, าพาไม่สามารถตอบสนองความอยากของใจที่จะใช้ร่างกายให้หาความสุขต่างๆมาให้แก่ใจได้นั่นเองนี่แหละคือเรื่องของปุถุชนกับพระอาริยเจ้าคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์มีความเห็นที่ไม่ เหมือนกันบุตชนนี้ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังมีความเห็นผิดเป็นชอบอยู่เพราะว่ายังเห็นว่าการมีสิ่งต่างๆเช่นมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมาบำรุงบำเรอจะให้กับความสุขกับตน แต่เป็นความสุขตรอมนั่นเองคือเป็นความสุขเดียวแล้วก็จางหายไปแล้วก็สร้างความอยากหาความสุขนั้นอีกก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาใดที่ไม่สามารถหาความสุขเหล่านั้นได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่คือความคิดของปุถุชนคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยแต่ความเห็นของพระอริยเจา้าของะพุทธเจ้าของพระอรหรนันต์นี้ท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เนะพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริง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 นี่คือการปฏิบัติเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นความสุขที่ถาวรเร า, เราต้องคำนึงถึงการปฏิบัติเพื่อให้เราไม่มีอะไระไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้เราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้มีสิ่งนั้นเมื่อมีสิ่งนี้ เช่นพุทธศาสนิกชนทั่วไปผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างละเอียดจะทาบุญทาทานจะรักษาศีลก็ผู้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งตอบแทนทาบุญแล้วก็อยากจะร่ำรวยอยากมีอายุยืนยาวนาน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 การที่จะได้พระนิพพานก็ต้องไม่มีอะไรต้องไม่ยึดไม่ติดกับอะไรต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่ถือว่าอะไรเป็นของเราเลยสัเยธรรมาอนัตตานี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมและเหตุที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้น ก็คือการเจริญมรรคที่พระเจ้าทรงสอนมรรคที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประความเห็นชอบความดรฤตชอบสัมมากํามันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโการกระทาชอบวาจาชอบอาชีพชอบ สัมมาวายามโอความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิ <Yeah. S 1> นี่คือธรรมที่เราต้องสร้างขึ้นมาเพราะธรรมเหล่านี้จะเป็นเหมือนบันไดหรือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหลงมายึดมาติดมารักมาหวงได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่มี มักที่มีองค์แปนี้เราจะไม่มีเครื่องมือที่จะถอดถอนใจให้ออกจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้ได้มักแปดนี้ท่านก็แสดงไว้สองลักษณะเวลาแสดงให้กับพระภิกษุผู้ที่ได้ออกบวชแล้วท่านก็จะแสดง เป็นศีลสมาธิปัญญาก็คือมักแต่นี้เองศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสมาทิ็สัมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะโตความเห็นชอบความจำหริจชอบ นี่คือองค์ประกอบของศีลสมาธิปัญญาก็คือมาดแปดนี้เองผู้ที่บวชแล้วต้องบาเพ็ญไตศสิกขาไตาศสิกขาก็คือวิชาสามสิกขาก็แปลว่าวิชาหรือศึกษาศึกษาสามวิธีนี้ปฏิบัติสามวิธีนี้แล้วก็จะสามารถปลดเคื่องจิตใจ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 ที่สัทธาญาติโยมจะมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆก็จะเข้าวัดเพื่อมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือทานศีลสมาธิปัญญานี้เองมาทำบุญใส่บาตรบลอยจากทรัพย์ลอยจากข้าวของเงินทองต่างๆแล้วก็รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดตามกำลังแล้วก็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 ที่สามารถที่จะออกบวชและปฏิบัติธรรมได้ในเต็มรูปแบบสําหรับญาติโยมนั้นก็ต้องหาสถานที่ที่สามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้าหาวัดไม่ได้ก็อาจจะต้องหาบ้านหรือหาสถานที่ที่เอื้อต่อการบาเพ็ญถ้าได้ออกแล้วเท่า น, นั้นถึงจะได้ มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบปฏิบัติได้ตลอดเวลาถ้าได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบตลอดถ้าได้ปฏิบัติตลอดเวลาก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไว้แล้วในมหาสติฐานสูตรที่สรงตัดว่าถ้าปฏิบัติสติสมาธิปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง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 ก็ต้องดูว่าตอนนี้ร่างกายกาลังอยู่ในอิริยาบถไหนกาลังทาอะไรพอลืมตาขึ้นมาก็จะรู้ว่า อ, อ๋อตอนนี้กำลังนอนอยู่แล้วพอจะลุกขึ้นมานั่งก็ต้องรู้แล้วว่ากำลังลุกขึ้นมานั่งพอยืนพอเดินไปทําภารกิจทางร่างกายก็ต้องอยู่กับ การกระทำของร่างกายทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวถ้ามีการกระทำอย่างนี้ก็เรียกว่ามีการปฏิบัติแล้วนะก็คือจรรยสติที่เป็นหนึ่งในองค์ของมรรคแปดนี้เองนะและเป็นองค์สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วมรรคองค์อื่นก็จะไม่สามารถ ปรากฏ <s ays> ขึ้นมาได้เช่นสมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ส ม, มาทิฏิสัมมาสังกฤฤัโปก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้สัมมาวาจาสัมมากรรมตโตสัมมาอาชีวโวก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้สัมมาวายามโมก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่เกิดถ้าไม่มีสัมมาสติเช่นถ้า ไปดื่มสุราจนมืนเมาตอนนั้นก็จะไม่ถือว่ามีสัมมาสติสติไม่สมบูรณ์นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้พิจารณาปัญญาก็พิจารณาไม่ได้จะดำรงตนอยู่ในสัมมากัมมันตก็ทําไม่ได้จะต้องไปทําอะไรให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นจะดำรงสัมมาวาจาก็ทําไม่ได้ จะต้องไปพูดอะไรที่ทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนสามมาอาชีวก็ไม่ได้มิจฉาชีพมักจะเดิมโุราเพื่อที่จะได้ไปประกอบมิชฉาชีพได้ผู้ที่ดําลงสามมาชีพนี้มักจะไม่เดิมโุราเวลาไปทํางานทําการกันเพราะถ้าเดิมสุราแล้วจะไม่สามารถที่จะทํางานสามมาอาชีพได้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 ยืนก็พุโทโธเดินก็พุโทโธเข้าไปในห้องน้ำก็พุโทโธล้างหน้าล้างตาก็พุโทโธแตงฟันก็พุโทโธอาบน้ำอาบผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธไปทำอย่างนี้ไปถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเต็มรูปแบบเป็นการปฏิบัติตลอดเวลาแล้วพอเสร็จภารกิจของร่างกาย ก็ลุกมาก็มาเดินจงกรมเดินจงกรมกบพุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธถ้าใช้ร่างกายก็ดูเท้าที่เคลื่อนไหวไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปพอเดินจนเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งนั่งกบพุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธถ้าใช้ร่างกายก็ดูลมหายใจเข้าออกดูตรงจุดที่ลมสัมผัสเด่นชัดที่สุด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 รวมกันแยกกันไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยถ้าจะบริกรรมพุทธโธก็พุทธโธมันไปเพียงอย่างเดียวถ้าจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดูไปอย่างเดียวอย่าไปรวมกันบางทีอยากจะบริกรรมให้เร็วแต่ลมนี้มันช้าก็จะไม่สามารถทำได้เช่นบางเวลาจิตฟุ้งมากคิดมากถ้าพุทเข้าโทรออกนี่มันมีช่องให้คิดมาก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 ถึงที่พักแล้วเราก็พักผ่อนหลับนอนไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นจนกว่าจิตจะพักได้เต็มที่หรือว่ากำลังของสตินั้นอ่อนลงจิต ก, ก็จะถอนออกมาเราออกมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะมารับรู้กับสังขสังขารความคิดปรุงแต่สัญญาวความจำได้หมายรู้ ถ้าเราอยากที่จ ะ, จะเจริญปัญญาก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดสาหรับการจเจริญปัญญาคือตอนที่ใจออกจากสมาธิมาใหม่ๆเพราะตอนนั้นกิเลสตัณหายังไม่มีกำลังเพราะตอนที่อยู่ในสมาธินั้นถูกตัดกำลังถูกสมาธินี้กดเอาไว้เวลาออกมาจาก สมาธิใหม่ๆจึงไม่มีกำลังมากเหมือนตอนก่อนที่จะเข้าไปในสมาธิตอนนั้นถ้าจะพิจารณาธรรมก็จะไม่มีกิเลสมาต่อต้านจะไม่มาสร้างอารมณ์หดหูหรืออารมณ์ที่เบื่อหน่ายไม่อยากจะพิจารณาเพราะธรรมที่เราต้องพิจารณานี้เป็นธรรมที่กิเลสตันหาไม่ชอบให้พิจารณานั่นเอง เช่นให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายให้พิจารณาอาศัศภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายให้พิจารณาอาหารในปฏิกูลและสรรยาให้ดูความไม่สวยไม่น่ารับประทานน่าดื่มของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะต่อการจเจริญปัญญาเพราะจะไม่มี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 ถ้าเราไม่สะสมปัญญาไว้เพื่อให้มันฝังอยู่ในใจไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมให้มันอยู่ในใจเหมือนกับที่เราท่องสูตรคูณเวลาที่เราจะใช้สูตรคูณเวลาที่เราจะใช้คำนวณคานวณอะไรต่างๆในสมัยก่อนนี้เราไม่มีเครื่องคิดเลขเราไม่มีเครื่องคอมเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนนี้เราต้องท่องสูตรคูณกันไว้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 ถูกสมาธิตัดกำลังลงไปนั้นก็จะเริ่มมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเข้ามาแทรกแทงการพิจารณาของเราได้แทนที่จะพิจารณาไตารลักพิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำนมไพรพิจารณาอาหารเลยปฏิจูรละสัญญามันก็จะเริ่มหลอกให้เราไปพิจารณา ความน่ารักน่าสวยน่างามอ่ะน้าสวยน่าดูน่ากินน่าดื่น่ารับประทานขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาความอยากขึ้นมาคิดถึงขนมนมหนยคิดถึงกาแฟเครื่องดื่มอะไรต่างๆแทนที่จะคิดถึงอาหารเยปฏิกริสัญญามันจะไปคิดทางตรงกันข้ามกันถ้ามันเริ่มออกไปทางปัญหาแล้ว เราก็ควรที่จะหยุดพิจารณาหยุดเจริญปัญญาแล้วกลับเข้ามาในสมาธิใหม่เพื่อ <P>. ที่มาตัดกำลังของกิเลสตัณหาและเพิ่มกำลังของอุเบกขาขึ้นมาใหม่เพิ่มความอิ่มใจสุขใจให้แก่ใจเพื่อที่จะได้ออกมาทำงานทางปัญญาต่อไปก็เหมือนกับการทำงานทางร่างกาย ร่างกายเราก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารเวลาเราไปทำงานเราก็ทำ8โมงถึง5โมงเย็นหรือ8โมงถึงเที่ยงเราก็พักเที่ยงละพักรับประทานอาหารพักผ่อนร่างกาย1ชั่วโมงนะเราก็กลับมาทำงานต่ออีก4ชั่วโมงพอถึงเวลา5โมงเย็นเราก็เลิกทำงานเราก็กลับบ้าน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 เวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปนี่คือการใช้ปัญญาให้มองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบโจดสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นไปร ล, ลักเราไปทำอะไรไม่ได้เราอย่าไปยึดไปติดเขาอย่าไปพึ่งพาอาศัยเขาเพราะเราพึ่งเขาไม่ได้ตลอดเวลา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 ดีกว่าอาศเป็นที่พึ่งของเราแล้วนั่นก็คือนิพพานังปลมังสุญอย่างนี้เองความว่างใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างใจไม่มีสมบัติเข้าเข า, เขาไม่มีสมบัติอะไรต่างๆแล้วมีแต่ความว่างอยู่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายโดดเดี่ยวแต่อยู่แบบปลมังสุขขังเพราะอยู่ด้วยความสมัครใจผู้ที่ต้องอยู่ด้วยอยู่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 ไปอยู่ป่าแล้วจะอยู่แบบทุกข์ทรมานใจอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว่าเหว่เศร้าซ้อยหน่อยเหงาแต่คนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญานี้จะอยู่อย่างมีความสุขจะไม่อยากจะอยู่กับใครจะไม่อยากจะมีอะไรเพราะความว่างนี้เป็นปรมังสุขขังนั่นเองนิ บ, บานังปรมังสุญญงนิบานังปรมังสุขขังนี่แหละคือ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 พิจารณาปัญญาสลับกันไปเวลาอยู่ในสมาธิก็ไม่พิจนาให้สักแต่วารู้ให้อยู่เฉยๆให้นานที่สุดเท่าพิจารนานได้เวลาจากสมาธิมาก็จเจริญปัญญาพิจารณาอนิจจทุกขังอนัตตาพิจนาอาสุภะพิจาณาอาหาเลยปฏิกูลสัญญาพิจานาอาการสามสิบสองของร่างกายว่าไม่มี ตัวไม่มีตนมีแต่อวัยวะสามสิบสองชิ้นเท่านั้นในร่างกายอันนี้ให้พิจารณาว่าเป็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟมาจากธาตุสี่แล้วก็จะกลับคืนสู่ธาตุสี่ไปไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้เป็นของดินน้าลมไฟเพราะยืมมาจากดินน้าลมไฟนั่นเองอยืมจากดินน้าลมไฟมามาฟุงแต่งให้กายเป็นอาการสามสิบสอง แล้วพออาการสามสิบสองเกิดอาพาธเกิดการแตกสามัคคีไม่ยอมทำงานก็จะล่มสลายศูนย์กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องนำเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืม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 ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนี้ใจของพระเจ้าใจของพระอรหันตาสาวกจะมีปรมังสุขถังได้ไงเพราะท่านอยู่แบบไม่มีอะไรนั่นเองท่านอยู่ได้เพราะท่านตัดปัญหาความอยากต่างๆได้แต่พวกเราอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเราตัดไม่ได้เรายังต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเรายังต้องมีราบยศสรเสริญ เรายังต้องมีร่างกายพอร่างกายเป็นไรขึ้นมาเราก็โวยวายวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมา ท, ทันทียิ่งถ้ารู้ว่าจะต้องตายนี่ก็จะหมดกําลังจิตกาลังใจที่จะทำอะไรต่อไปนี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาตลอดเวลาถ้าเราอยากจะเข้าหาความสุขที่แท้จริงเข้าสู่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 ไม่ให้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีราบไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสัตเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสทพพะไม่ต้องมีอะไรถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติสร้างมรรคแปดนี้ขึ้นมาสร้างทานศีลภาวนาขึ้นมาสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา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 ความสุขสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะท้ า, ทาวเรวะหาปุราปริปุเรนติสักหลังเอวเมวะอิตทินาเปตานางอุ ป, ปก ป, กปติ อิชิตังปัิตังตุมหังคิเตเมวะสมิจฉตุสัพเพตุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพพิติโยวิวัชานตุสัพพารโขวินัสตุมาเตภวตวันตรโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานาสีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตารอธรรมาวาทานติอายุวันโสุขังภาลาง<ป>ต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ชอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ ถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้านที่ถามมาผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ได้ถามกันใครอยากจะถามยกมือขึ้นเลยนะจะได้ส่งมือใหม่ไปให้ขอบคุณเวลาพูดให้พูดให้มันใกล้ๆปัดหน่อยจะได้เสียงดังกลาบพระจารย์เจ้าค่ะเมื่อวานดิฉันนั่งสมาธิช่วงตอนสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะ แล้วเกิดข้อสงสัยแต่คําตอบก็คิดว่าน่าจะได้คําตอบแล้วแหละแต่ก็อยากจะถามอมเมื่อวานตอนเย็นนั่งไปได้สักพักหนึ่งเขาอปิดไฟหมดแล้วค่ะก็นั่งได้สักพักหนึ่งก็เห็นแสงพุ่งออกมาจากแถวพัะประธานนะคะเป็นแสงเล็กๆ ก, กลมๆแล้วมาลอยอยู่พักนึงแล้วก็หายไปแล้วสักพักดิฉันก็เข้าไปอีกอีกที่หนึ่งคือสว่างแล้วก็เย็นโล่งค่ะไม่ทราบว่าแสงที่ที่เห็นน่ะคือแสงอะไรอ่ะคะ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 ค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิใจต่อใจใจจะเลี้งปุ๊บทำไมพุทโธมันเล่งจังเล่งเอาเล่งเอาจนพุทโธแทบไม่ทันนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้มันสงบเร็วๆก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะเล่งหรือจะไม่เล่งก็ถ้ามันอยู่กับพุทโธก็ใช้ได้อยาให้มันไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งต่างๆก็แล้วกันก็กลับไม่ได้ขับสมุทสารครับ ที่ผมปฏิบัติทรมาก็ประมาณ3ักษาสิเพย์ได้ครับส่วนใหญ่จะนั่งแล้วก็จะหลับนะครับพ่อ <C oughs> แล้วก็อย่างเมื่อกี้นี้ก็ฟังหลวงพ่อแท้ ก, <C oughs> ก็ตรงประเด็นไต้เลยครับแต่ว่าหลับบ้างตื่นบ้าง <C oughs> มันทำยังไงได้ครับที่ว่าทำให้จิประกุกค <C oughs> ือตื่นตลอดสติเรามีกำลังไม่มากพอนั่นเองเว <C oughs> ลาเรานั่งเฉย จิตมันจะสงบสติมันก็หมดกำลังมันก็เลยหลับไปถ้าเป<ำ>็นสติแล้วเวลาจิตสงบมันจะไม่หลับมันจะเข้าไปในสมาธิดังนั้นเราต้องฝึกสติอย่างที่ได้สอนไว้ว่าต้องฝึกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปคิดเรื่องต่างๆนาน า, นาให้อยู่กับเรื่องที่เรากำหนดไว้เรื่องเดียวถ้าเราให้กาหนดอยู่กับพุโทโธก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเราใช้ร่างกายเป็นตัวที่เรากําหนดให้จิตตั้งสติอยู่เราก็ต้องเฝ้าดูร่างกายไปตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรจนกว่าเราจะนอนหลับะ ถ้าเราฝึกสติได้อย่างนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจะไม่หลับเวลาฟังเทศฟังธรรมจะไม่หลับนะโสติต้องตั้งสติตลอดใช่ไหมครับว่ายืนเดินนั่งนอนอะไรทุกวิริยาบททุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะทําอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้พุทโธพุทโธไปหรือถ้าใช้ร่างกายก็ต้องเฝ้าดูการ ก, การะทําของร่างกายไปทุกทุกวิริยาบทของการเคลื่อนไหวก็ต้องสติอย่างเดียวแต่ว่าเจ็จี๊ตรงไหนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับฮะ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 รู้ไปรักษาใจไปรักษาจิตด้วยการปล่อยวาง อ, อย่าไปทุกข์กับร่างกายอย่าไปอยากในร่างกายไม่เจ็บไม่ออไม่เป็นอะไรแล้วถ้าถ้าชาวบุญกุศลนี่เรามานั่งกรรมฐานอะไรช่วยนีนพอได้ก็นี่แหละบุญกุศลสูงสุดนะเนี่ยที่กําลังพูดอยู่เนี่ยคือปัญญากรรมฐานก็คือปัญญาเนี่ยนั่งกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจอ๋อครับครับครับสาธครับ เปี่ยนท่านพระอาจารย์ที่เครารพอย่างสูงครับผมอาจจะมีปัญหาถามมากหน่อยฮะ<อพ>คือเวลาผมภาวนาพุทโธนะครับอาจารย์มันเครียดมากเลยครับคือภาวนาพุทโธไปบางทีมันก็ง่วงบ้างใช่ไหมครับบอกไม่ง่วงบางทีภาวนาไปปุ๊บไปเจอแหม่มใช่ไหมครับคือคือความรู้สึกไปเห็นนั้นนะอบอกเอไม่เอาภาวนาพุทโธอย่างเดียวนะดึงมันอย่างเดียวดึงมาอยู่ตรงนี้ รู้สึกเครียดมากครับอาจารย์ถ้าเปรียบกับเหมือนกับว่าเราสวดมนต์อะระหังสัมมาเนี่ยรู้สึกมันสดเชิญมากกว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ <c oughs> เปลี่ยนได้เพราะว่ามันจิตเรายังไม่ถูกเจริญกับพุทธโธยังยังถูกเจริญกับการสวดมนต์ก็สวดไปอ๋อครับผมคือสติเราอาจจะยังไม่มีกําลังมากพอที่จะเดึงให้จิตอยู่กับคําเดียว มันยังอยากจะไหลไปกับหลายๆคำก็ไหลไปได้ถ้าอยู่กับบทสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการภาวนาอยู่เหมือนกันใช่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็สวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าเหนื่อยอยากจะหยุดก็ลองดูเอาแต่พุทโธคําเดียวต่อไปก็ได้หรือถ้าไม่อยากจะพุทโธก็ดูลมหายใจต่อไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าท่าเสร็จจากตรงนั้นแล้วพว๊บเนี่ยสังเกตตัวเองว่าคือบางทีพอนั่งพักนั่งพักนี้นะครับเราก็ดูลมหายใจเข้าออก เออรู้สึกดีขึ้นมากอืม <Okay. S 1> ค, อคือคือตอนต้นนี้ความคิดมันมีกําลังมากเองมันอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็มันมาคิดกับบทสวดมนต์แทนก็ได้ครับผมหรือท่องพระสูตรไปก็ได้ท่องสติปัฏฐานสูตรไปก็ได้ครั บ, รบเรื่องที่สองครับก็คือ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 ตอนนั้นกิเลสมันจะไม่มีกําลังมันก็จะไม่สร้างความรู้สึกเสียววับขึ้นมาผมไม่รู้เหมือนก็อื่นเหมือนผมไหมเหมือนกันทุกคนเนี่ยถ้าใจไม่สงบพอคิดถึงเวลาที่เราจะต้องพัดพากสิ่งที่เรารักไปมันจะเสียววับขึ้นมาคิดถึงร่างกายเราต้องจากมันไปมันก็จะเสียววับขึ้นมาแต่ถ้าใจสงบแล้วความเสียวเนี่จะไม่มีเพราะความเสียวเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากนี่เอง ถึงต้องพิจารณาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาเป็นเวลาที่ดีที่สุดพิจารณาไปนจนกว่าเริ่มเกิดอาการเสียววาบก็หยุดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เหมือนกับหมอฟันเวลาจะถอนฟันนี่ต้องฉีดยาชาก่อนถึงจะถอนได้พอคนไข้บอกเจ็บนี่ก็ต้องหยุดถอนก่อนละก็ต้องฉีดยาชาเพิ่ม อันนี้ก็เหมือนกันสมาธินี่ก็เป็นเหมือนยาชาของใจเวลาที่จะถอนอุปะทานความลักความหวงนี่มันจะเจ็บมันจะเสียวแต่ถ้าเรามีสมาธิมันจะไม่เสียวมันจะไม่เจ็บมันจะรู้สึกเฉยเฉยข้อหนึ่งครับคือเรื่องของการพิจารณาอสุภะนะครับก็คือเจอใครนะฮะสวยๆเนี่ย พยายามคลิกเหมือนที่พระอาจารย์เทศนะครับมันไม่สวยมันไม่งามมันมีอาการ32ก็ได้ระดับหนึ่งครับแต่บางทีเดินผ่านแป๊บเลยอายจารย์สัมผัสปุ๊บเนี่ยมันมาปุ๊บขึ้นมาเลยครับอาจารย์คือถ้าไปเจออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนรังงับให้ได้ก็เอาสุภาพ์เนี่ยเพียงแต่ว่าเรามันไม่มีเราถึงต้องพิจารณามันบ่อยๆเพรานะว่ากำลังของสุภาพที่เราสะสมไว้ในใจนี่มันมี น้อยพอมัเจออสุภาพปั๊บมันถูกถูกเหยียบไปหายไปหมดเลยผมผมพิจินาอย่างนี้ครับผมไม่รู้ว่าจะจะใช้ได้ไหมคือพกเห็นปุ๊บนะครับปุ๊บสวยงามเนี่ยมันแป๊บมาเลยนะครับอาจารย์ตอนแรกบอกเอ้ยไม่ใช่แต่ว่าเอาไปมาปุ๊บมันตามันไปดึงมันกลับมา นี่ภรรยาเราสมัยสาวๆมันก็จะนี้แหละมันก็ตึงตึงอย่างนี้แหละอย่างนี้มันยานแล้ว <c oughs> คือพยายามนึกอย่างคิดอย่างนี้ตลอดเวลาครับอาจารย์คือคือเรื่องนี้เนี่ยมันผมไม่รู้ใครจะเหมือนผมไหมแต่ว่ า, าความรู้สึกอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นตลอดเกอต้องเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทําให้คลายความกําหนัดยินดีคลายคลามอารมณ์ ต้องพยายามเลกอยู่เรื่อยๆให้มันฝังอยู่ในใจเหมือนที่พูดแล้วให้มันเป็นเหมือนสูตรคูณอ่ะพอจะต้องคูณเลขปั๊บมันก็โผล่ขึ้นมาเลยสองคุณสองเท่าไหร่มันจะได้คำตอบทันทีเลยพอเห็นอะไรสวยเห็นงายงานปั๊บอสุภะก็ต้องมาทันทีเลยครับผมครับผมขอบคุณผ่านน omenclature อาจารย์ครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ กับผมได้พบเจอมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กแต่ยังเก็บความรู้สึกอัดตันใจไว้นะครับก็คือไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับก็คือสมัยก่อนจะเป็นทุ่งนากับผมเดินผ่านทุ่งนาไปอีกทุ่งนาหนึ่งไปยังอีกทุ่งนาหนึ่งไปเจอต้มไม้ที่เป็นต้มพุทราใหญ่นะครับก็คือข้างในจะมีคนลักษณะเป็นรูปร่างใหญ่ตัวนอนอยู่เป็นผู้หญิงกับผู้ชาย ใส่ชุดเหมือนกับลือสีนะครับแล้วก็มองหน้ากับผมอยู่ตอนนั้นกับผมประมาณเจ็ดขวบครับแต่กับผมก็ได้แค่ยืนมองเขาก็มองหน้าแล้วก็เดินผ่านไปช่วงนั้นเวลาประมาณหกโมงเช้าแต่หลังจากก็ผมเดินทางกลับมาทางเดิมประมาณสี่โมงเย็นปรากฏว่าไม่เห็นแล้วครับก็เลยอยากจะสอบถามบ้าอาจารย์ว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นผู้ผีปีศาจ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 แล้วเราก็จะได้รับบุญถ้าเราเอาเงินกำไรที่เขาให้เรานี้ไปทำเราก็จะได้บุญอีกก้อนหนึ่งก็คือทานคำถามต่อไปจากคุณวัชวัตรขณะที่จิตออกจากสมาธิเริ่มรู้สึกนึกคิดแล้วหยิบกายมาพิจารณามิมิตมักแสดงรูปกลายสภาพเป็นของแตกในรูปลักษณะที่เราไม่เข้าใจได้ทันในขณะจิตจนลิมิตนั้น แตกหายศูนย์ไปหมดกว่าจะเข้าใจต้องมานั่งพิจารณาทบทวนอีกครั้งหลังออกจากสมาธิเช่นสภาพกายไรย้ประยับย่อยไปเป็นผงเป็นการกายสภาพไปคืนสู่ดินคำถามข้อที่หนึ่ง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 ตเตรียมอาวุธอาวุธยุธทธอุปรกรณ์ไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณชีวิตอิสระมีคนมาแนะนำให้ทำบุญและนั่งสมาธิ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 เขาคงถามว่าจริงหรือไม่ที่นั่งสมาธิแล้วจะรวยรวยตอนนี้เราก็รวยแล้วใช่เราก็ยังขอทานอยู่ยทุกวันคำถามข้อต่อไปจากคุณโกสม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 คำถามต่อไปจะมีผู้ฝากถามมาค่ะหลวงพ่อเขาถามว่าเวลาถึงสี่แปดอะค่ะอย่างเรื่องเครื่องนอนนะคะอย่างที่นอนจะนอนเป็นแค่ปูเสื่อหรือผ้าบางๆได้แต่ถ้าอย่างผ้าห่มอะค่ะถ้าเกิดเขาห่มผ้านวมอะไรเงี้ยค่ะได้หรือเปล่าครัเพราะเขาหนาวใช่ใช่ถ้า<ล>ห่มกันหนาวก็ได้ต้องดูแลรักษาร่างกายให้เป็นปกติสุขถ้านอนหลับเพื่อเป็ น, าปนการปันการปฏิสุทธ์ของร่างกายนี้ทําได้เช่นถ้าพื้นมันเย็น ถ้า น, น, นอนแล้วมันทําให้ไม่สบายก็เอาผ้านวมหรือผ้าห่มห น, นามาปูเพื่อกันความเย็นนี้ก็ทําได้แล้วถ้าอย่างเขามาบวชพราหมณ์ที่วัดเขาก็พกผ้ามาด้วยอีกหลา ย, ลายๆผืนนี้ค่ะได้ไหมคะได้ถ้าไม่ถ้าไม่ได้มาเพื่อบํารุงบําเรอความสุขท่านั่นเองมาเพื่อบําบัดทุกมารักษาร่างกายไม่เจ็บค่ายได้ป่วยก็ทําได้เป็นคถามจากทางบ้านคะ่ะ มีใครอยากจะถามไหมทางนี้อายกมือละทางด้านหลังนี้ส่งไมโครโฟนไปให้หน่อยอสภาวะที่หนุปฏิบัติอยู่มันรู้รู้แบบบางทีก็ละเอียดบางทีก็หยาบรู้แค่สองสภาวะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวันมันเข้าในใจไม่ได้ค่ะ หมายถึงยังไงเข้าไปในใจไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าอารมณ์กโกรธอย่างเนี้ยค่ะวเวลามีเรื่องโกรธหรือว่าดีใจเสียใจอะไรอย่างเนี้ยค่ะอก็คือไม่เข้าใจ <laughs> ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ค่ะอ๋อก็ความอารมณ์ต่างๆนันเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นแ่ะเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจเราก็โกรธเราก็เสียใจแล้ว เ, เราวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้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 อยากจะดื่มกาแฟาก็ไปชมกาแฟมาดื่มอย่างนี้ไม่ถูกวะ <c oughs> ถ้าอยากจะดื่มกาแฟาก็ไม่ดื่มค่ะบางทีบางทีถ้ามันรู้สึกหนักหนักหนูก็จะพิพจารณาดูค่ะว่าสิ่งทีเกิที่ทําให้ใจมันหนักอ่ะ <c oughs> คือว่ามนันมันเป็นมันเป็นเพราะ อ, อะไรตรอไ ม, มันต้องต้องไม่ไปแก้ด้วยการไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาแก้ต้องแก้ด้วยปัญญาหรือทั้ง <c oughs> นั้นค่ะไม่ใช่ไม่สบายใจก็ไปช้อปปิ้งอย่างงี้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 มีใคอยากจะทำอีกไหมจะนําถอยหลังลนะถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิินพิสัยนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด